ชเชา้ามีเวลาน้อยก็รีบทำงานนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราจะทำความเพาใจเรื่องการปฏิบัติถึงวันที่สิบเท่านั้นนะหลังวันที่สิบเอ็ดไปถึงวันที่ยี่สิบก็เป็นภาคปฏิบัติที่เอเป็นจนไปเรื่องภาคในการทางปฏิบัติและทาง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 ต้องรู้เป้าหมายก่อนที่จะไปสู่จุดนั้นนั้นเพราะนั้นตอนแรกที่สุดเราก็มาตั้งตันในการเป้าหมายอย่บยาบแรกคือการยกมือก่อนพอตั้งต้นเป้าหมายที่ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดเกินกว่าที่สติสัมยาของเราจะไปตามทันได้นานไปสักพักหนึ่งเขาไปสู่ความสงบเขาไปสู่ความหลับไหลแล้วสติสัมยาก็หมดกำลังใช่ไหมดวงตารักตันักหลับไปแล้ว เพราะงะั้นต้องตั้งตัวให้ตรงหายใจลึกๆเราเปิดตากว้างๆอย่าไปนั่งงอๆเดี๋ยวมันมันสติ ส, สมิญญามันอ่อนมันจะหายไปนะเพราะอินทรีย์เราอ่อนนะ <S <S <S <S จากนั้นตัวศาสตร์จัสมัญญะคือรู้เป้าหมายว่าเราเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเนี่ยให้รู้เป้าหมายอ๋อเคลื่อนไหวเพื่อขยับเพราะมันปวดตรงนี้อ๋อเคลื่อนไหวเพราะมันตึงตรงนี้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 จะไม่เป็นสปายะเราจะไม่ได้สปายะสัมปชัญญะสปายะแปลว่าสบายรู้สึกตัวแบบสบายๆไม่บีบไม่คัน้นไม่กดไม่ตั้งใจไม่เพ่งไม่จ้องเกินไปรู้ตัวแบบสบายๆโปร่งเบาหายใจเขารู้สึกสบายๆไม่ได้ตั้งใจเกินไปนี่แล้วสปายะสัมปชัญญะต้องคำนึงถึงความโปร่งเบาและสบายในการรู้ตัวอันที่สาม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 เปิดไฟก่อนหรือคว้าหาไฟฉายหรือคว้าไปทำอะไรก่อนลาดับจะดะนุนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเจนตลอดตรงนั้นเป็นปัญญายาล้วนๆเป็นไกล้อรหันลินนั่นแหละนะแต่ลึกไปไม่ถึงห้าปอร์เซนที่ที่จำได้นะใครลึกได้ละเอียดที่สุดตรงนั้นมันได้เปลี่ยนสัญชาตญาณเป็นปัญญายาได้มากที่สุดครับ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 จำได้แน่นอนเอา้าไม่ได้ผิดตั ว, วเรางั้ย น, นะในหนึ่งสาตกษ า, ามิยะในหนึ่งผ่านบริมานะสาธกะสามิยะหมายถึงก่อนที่จะขยับเขยขื่อนคลือนไปแต่ละครั้งมีเป้าหมายแน่นอนว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมเลียวซ้ายลายขวากม่มเงยหายใจเข้าออกภาพตาอ้าปากนะ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 สปายะสัมปชัญญะรู้ให้สบาย <c oughs> อย่ารู้มันอึดอัดขัดเคืองหรือขัดข้องหนักหน่วงเวลารู้สึกหนักหน่วงเวลาทับแล้วก็ปวดเพลองใช่ไหมถ้าจะนั่งแช่อยู่ตรงนั้นเป็นไงเป็นสบายไหม <c oughs> ไม่สบายไม่เป็นสปายะละต้องปรับต้องแก้ให้มันเลือดลมได้ผ่านตามกฎของใจรักร่างกายเนี่ยต้องแก้ด้วยกฎของไตรักต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่เรื่อย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 ความเพียรที่จะทำและทำอย่างนู้ดดื้อรู้ตัวและทำอย่างต่อเนื่องและทำให้สบายและตรวจสอบการกระทำท่านนันเองนะโดยสรุปนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออไม่น่าจะยากแล้วก็ทำมาแล้ว้วยหลายปีแต่ว่าเราก็สงสัยตัวเองว่าเออเราทำมาตั้งนานทำไมเรายังขัดเคืองอยู่บางครั้ง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 สหนาทีหรืสิบนาทีเท่าที่เขียนได้แต่รายงานเปล่าๆนาทีสองนาทีก็ไม่ได้นะแค่สองสมาธก็ไม่รู้เรื่องอีกเนะี่ยก็รายงานเปล่าๆอันนี้ให้โอกาสกยบคนที่ไม่อยากเขียนหรือเขียนไม่เป็นใช้วิธีพูดก็ได้ครับมีทางออกแล้วผมพูดเออผมเขียนไม่ได้ครับผมพูดดีกว่าเ อ, อ้ผมก็พูดไม่ได้เลยผมจะทำไงต้องตามหาหลวงพ่อมาคุยกันหน่อยว่า